ภิกีติกะปาจิตีแปดยิบเจยังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกจากไปต้องอาบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ใจจากไปต้องอาบัติปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่าบอกแล้วจากไปต้องอาบัติปาจิตตีติกะทุกกฏ ที่ไม่ใช่ที่สําหรับนั่งคัศมาธิต้องอาบาตทุกขกดบอกแล้วภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกต้องอาบาตรทุกขกดบอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบาตรทุกขกดบอกแล้วภิกษุณีสําคัญว่าบอกแล้วไม่ต้องอาบาตร